พระเจริญกำลังจำวัดหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยกับงานมาทั้งวันยังไม่ทันเอ็นกายลงนอนก็เกิดปวดท้องขึ้นมาอย่างกระทันหันจะว่าปวดหนักก็ไม่ใช่เพราะท่านขับถ่ายเป็นเวลาและไม่ได้ฉันพล่ำเรื่อที่จะเป็นเหตุให้มีกากอาหารเหลือตกค้างอาการปวดทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนว่าจะนอนดิ้นอยู่ตรงนั้น หากเป็นขฤรืหัดคงจะต้องเป็นเช่นว่าแต่นี่ท่านถือเพศบรรพชิตจึงจำต้องอดทนอดกลั้นอย่างที่สุดปวดหนอปวดหนอท่านกำหนดในใจแต่ดูเหมือนว่ายิ่งกำหนดก็ยิ่งปวดมากขึ้นปวดจนแทบจะทานทนไม่ไหวพลันก็คิดได้ว่าหากฉันน้ำอุ่นๆเข้าไปสักถ้วย อาจจะทำให้อาการปวดทุเลาเบาบางลงจึงรินน้ำจากกระดิกใส่ถ้วยชาแล้วยกขึ้นดื่มน้ำอึกแรกตกถึงท้องก็ถึงกับลงนอนดิ้นเพราะทั้งปวดทั้งแสบจนเผลอสติแต่ด้วยสมณสัญญาที่ได้ฝึกฝนอบรมมาดีแล้วจึงฝืนใจลุกขึ้นนั่งสำรวมจิตกำหนดปวดหนอ แสบหนออย่างยากเย็นรู้เดี๋ยวนั้นว่ากรรมตามมาให้ผลท่านอีกวาระหนึ่งภาพไอโต้งไก่ตาชุกที่ถูกท่านตอนด้วยการผ่าท้องควักไส้ออกปรากฏขึ้นในมโนนึกตามด้วยภาพไก่ยี่สิบตัวที่ท่านจับตอนจนพวกมันตายยกเล้าได้เห็นเจ้ากรรมนายเวรมาปรากฏเช่นนั้น ก็มีกำลังใจที่จะชดใช้กรรมเอาเถอะเราขอชดใช้กรรมที่ทำไว้กับพวกเจ้าหากจะต้องปวดท้องจนขาดใจตาอยู่ตรงนี้ก็ยอมท่านพูดกับเจ้ากรรมนายเวรแล้วจึงค่อยๆเอ็นกายลงนอนรอพญามัจจุราชมาเอาชีวิต ถึงเวลาบินทบาทเด็กชายสำริดรออยู่นานไม่เห็นลงน้าลงมาจึงขึ้นไปดูภาพของพิสุนอนตัวงอเป็นกุ้งมือกลุ่มท้องหน้าตาซีดเซียวทำให้แกตกใจลงน้าเป็นอะไรไปครับทำไมหน้าซีดอย่างนี้ข้าปวดปวดท้องเหลือเกินเจ้าสำริดเอ้ยท่านบอกเด็กชายแล้วลงน้าฉันยาหรือยัง มีย า, าธาตไหมไม่มียาอะไรจะรักษาได้หรอกเพราะมันเป็นโรคเวนโรคกรรมโรคอะไรนะครับโรคเวนโรคกรรมหลวงนาเคยทำกรรมมามากเลยต้องเป็นอย่างนี้พูดเสียงแหบแหง้งงั้นหลวงนาะก็ไปบินธบไม่ไหวนะสิครับอย่าว่าแต่บินธบาเลย แค่ลุกขึ้นนั่งขาก็ไม่ไหวแล้วเองช่วยไปเรียกเนนตุ้ยขึ้นมาที่นี่หน่อยเด็กชายหายไปประเดี๋ยวหนึ่งก็เดินตามเนนตุ้ยขึ้นมาลุงพ่อไปโรงพยาบาลนะครับเนนตุ้ยบอกอย่าเลยฉันขอนอนชดใช้กรรมอยู่ตรงนี้แหละพระเจริญปฏิเสธ อย่าคิดอย่างนั้นเลยครับหลวงพ่อผมว่าหลวงพ่อรักษาเนื้อรักษาตัวให้หายก่อนดีกว่าเรื่องชดใช้กรรมค่อยว่ากันทีหลังสา ม, มเณรไม่เห็นด้วยโรคอย่างนี้ไม่มีหมอที่ไหนรักษาได้หรอกเพราะเป็นโรคเวรโรคกรรมมีทางเดียวคือชดใช้เสียให้หมดหมดไปอย่าขัดใจฉันเลย ปล่อยฉันไว้อย่างนี้แหละที่เรียกเธอมานี่ก็เพื่อจะให้ไปบอกโยมโถว่าฉันไปฉันเพนที่บ้านเขาไม่ได้เพราะอาพาธหนักเอาไว้โอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับผมจะไปบอกเดี๋ยวนี้สมเน็งกราบสมภารแล้วจึงลงมาข้างล่างกำลังจะเดินไปบ้านนางโถวก็พบในหล่อ เดินเข้ามาในกุฏิโยมมายังไงนี่เอารถมาหรือว่ามาเรือถามอย่างยินดีเอารถมาครับจะมาชวนหลวงพี่ไปเที่ยวบางกอกนายหล่อบอกเนนตุ้ยพอดีเลยอาตามากาลังคิดว่าทำอย่างไรจะพาหลวงพ่อไปโรงพยาบาลได้โยมมาถูกจังหวะพอดีหลวงพี่เป็นอะไรหรือครับ นายหล่อออกตกใจท่านปวดท้องนอนตัวงอเป็นกุ้งเลยโยมช่วยพาท่านส่งโรงพยาบาลหน่อยเถอะท่านจะไม่ยอมไปบอกว่าจะชดใช้กรรมเนนตุ้ยรายงานงั้นก็ขึ้นไปดูท่านกันเดี๋ยวนี้แหละโยมขึ้นไปก่อนก็แล้วกันอาตมาจะไปธุระที่บ้านโยมโถเดี๋ยวมาพูดจบจึงเดินมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ นายหล่อเดินขึ้นบันไดามาเห็นลุงพี่ในสภาพเช่นนั้นก็ตกใจนักรีบบอกท่านว่าลุงพี่ผมจะพาไปส่งโรงพยาบาลไปสิริราชดีกว่าเครื่องไม้เครื่องมือเขาดีกว่าโรงพยาบาลบ้านเราลุงพี่ทนไหวไหมครับหรือว่าจะให้ส่งโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลไหนข้าก็ไม่ไปทั้งนั้นจะขอนอนใช้กมอยู่ตรงนี้แหละพระเจริญตอ ท่านรู้สึกว่าทุกขเวทนามันรุมเร้าเสียจนทนไม่ไหวแล้วคงต้องมรณภาพในวันนี้แน่นอนทำใจดีๆไว้ครับหลวงพี่ผมเชื่อว่าหลวงพี่ต้องหายพระดีๆอย่างหลวงพี่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้หรอกครับขนาดตกเขวก็ยังรอดมาได้เชื่อผมเถอะตกลงผมจะพาไปส่งโรงพยาบาลสิริราชนะครับ นายหล่อเป็นฝ่ายตัดสินใจเขาออกมั่นใจว่าท่านเป็นผู้มีบุญญาธิการไม่เช่นนั้นคงจะเอาชีวิตไปทิ้งเสียที่ก้นเหวนั่นแล้วแค่ปวดท้องคงไม่ถึงกับมรณาภาพหลอกหน้าเขาคิดอย่าพาข้าไปเลยเสียเวลาทำมาหากินของเองเปล่าๆนี่นึกยังไง ถึงได้มาแต่เช้าอย่างนี้ผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่านึกยังไงแต่ตอนนี้ผมได้คำตอบแล้วคำตอบอะไรของเองละ่ะภิกษุอาพาธถามคือผมแน่ใจว่าเพราะบุญของหลวงพี่นั่นแหละที่ดนจิต ด, ดนใจให้ผมมาผมตื่นตอนตีสี่ก็นึกถึงแต่หลวงพี่เลยคิดว่า จะมารับหลวงพี่ไปเที่ยวบางกอกพอแจ้งก็ขับรถมานี่แหละคนเป็นขรือหัดเล่าเขาเชื่ออย่างแน่นแฟ้นว่าพระเจริญเป็นผู้มีบุญบา ร, รมีบอกนางโถแล้วเนนตุ้ยก็รีบกลับมาที่กุฏิพบเด็กชายสมริตนั่งกอดเข่าเจ้าจุกอยู่ตรงหัวบันไดจึงถามหลวงพ่อเป็นอย่างไรบ้าง ก็ยังนอนขอดอยู่อย่างนั้นนะาเขาจะพาไปส่งโรงพยาบาลท่านก็ไม่ยอมไปหลวงพี่ช่วยพูดให้ท่านยอมไปหาหมอหน่อยเถอะเองก็รู้จักหลวงพ่อดีไม่ใช่หรือท่านเป็นตัวของท่านเองออกอย่างนั้นใครจะพูดได้แต่เอาเถอะข้าจะลองขึ้นไปพูดดูอีกทีว่าแล้วจึงเดินขึ้นบันไดไปนายหล่อเห็นเน้นตุ้ยมาจึงสั่งให้เตรียมตัว เพื่อจะพาพระเจริญไปโรงพยาบาลตกลงท่านยอมไปหรือยมคนเป็นเนนถามไม่ยอมหรอกครับแต่ผมจะถือวิสาสะพาท่านไปเดี๋ยวเราช่วยกันอุ้มท่านไปใส่รถผมนะครับไปที่ไหนดีละ่ะโรงพยาบาลในจังหวัดหรือว่าจะไปบางกอกถ้าท่านพอทนได้อัตมาว่าน่าจะไปบางกอกเพราะที่นั่นเครื่องไม้เครื่องมือเขาทันสมัยกว่า เนนตุ้ยออกความเห็นครับผมกำลังจะพาท่านไปโรงพยาบาลสิริราชเดี๋ยวขอเวลาผมไปจัดที่นอนให้ท่านหน่อยขอเสือไปปูที่หลังรถให้ท่านนอนไปเนนนั่งเฝ้าท่านอยู่ข้างหลังด้วยนะครับตกลงอาตมาจะคอยดูแลท่านอย่างดีที่สุดจัดรถเสร็จ สมณเณรกับขรืหัดก็ช่วยกันอุ้มภิกษุอาพาธไปขึ้นรถพระเจริญปวดท้องจนสลบไปนับเป็นการดีที่ท่านจะได้ไม่ต้องทนทุกขเวทนาอันแสนสาหัสนั้นท่านสลบไปสองชั่วโมงเต็มๆคลั้นรู้สึกตัวจึงรู้ว่ากำลังนอนอยู่ในรถหลวงพ่อหายปวดท้องหรื อ, อยังครับเนนตุ้ยถาม ไม่หายปวดเลือกเกินปวดอย่างสุดซึ้งท่านตอบด้วยเสียงที่แหบพร่าจะพาฉันไปไหนภิกษุอาพาธถามใบโรงพยาบาลสิริราชครับฉันบอกแล้วไงละ่ะว่าไม่ไปทำไมต้องขัดคำสั่งท่านตอว่าผมไม่ได้ขัดนะครับ โยมหลอกเขาเป็นคนจัดการผมเพียงแต่ให้ความร่วมมือเท่านั้นเนนตุ้ยหาทางออกโอ้ยปวดปวดอีกแล้วมันปวดตลอดเวลาเลยหลวงพ่อทำไมไม่กำหนดปวดหนอปวดหนอล่ะครับผมเห็นหลวงพ่อออกเก่งเวลาสอนผมหรือสอนญาติโยมหลวงพ่อเก่งออกสมนเน็พูดจากประสบการณ์ นั่นสิฉันก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าการสอนกับการปฏิบัติจริงนั้นมันต่างกันลิบลับอย่างว่าแหละผงเข้าตาคนอื่นเราช่วยเขียออกให้เขาได้แต่ผงเข้าตาตัวเองมันมืดแปดด้านเลยปวดปวดเลือกเกินหลวงพ่อฉันน้ำอุ่นสักถ้วยไหมครับเผื่อจะดีขึ้นผมเอากระติกน้ำมาด้วย เนนตุ้ยแนะนำพอทีพอทีไม่ชงไม่ชันแล้วเธอรู้ไหมพอน้ำตกถึงท้องฉันนอนดิ้นเลยมันทั้งปวดทั้งแสบบอกไม่ถูกเชวละ่ะลงพ่อหิวไหมครับสมณเนรเปลี่ยนเรื่องถามขณะนั้นเป็นเวลาเกือบเก้านาฬิกาตัวท่านรู้สึกหิว ฉันไม่รู้สึกอะไรนอกจากปวดปวดจนสุดที่จะพรรณนาเลยล่ะเธอโรคเวรโรคกรรมนี่มันสาหัสสาการจริงๆถ้าฉันรู้ว่าจะมาชดใช้แบบนี้ฉันจะไม่สร้างกรรมทำเข็นกับใครเลยไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ท่านรำพันหลวงพ่อสร้างกรรมอะไรไว้หรือครับ ถึงต้องมานอนปวดท้องอย่างนี้เนนตุ้ยอยากรู้ก็ตอนไก่นะสิเมื่อครั้งเป็นนักเรียนฉันสนมากแล้วก็เป็นคนช่างสังเกตอยากรู้อยากเห็นไปหมดผู้ใหญ่เขาทาอะไรกันฉันก็จะคอยดูแล้วก็เอามาทําบ้างเห็นเขาตอนไก่ควักไส้มันออกมาฉันก็ทํา ไก่ตายไป21สบอ็ดตัวเพราะฝีมือการตอนของฉันตายยกเล้าเลยท่านเล่าเรื่องแต่หนหลังให้สัมเณ น, นฟังการได้พูดคุยทำให้ลืมทุกขเวทนาได้ชั่วขณะไม่มีรอดซักตัวเลยหรือครับไม่มีตายเกลี้ยงเลยน้ำเสียงแฝงไว้ด้วยความภาคภูมิใจถึงอย่างไร ก็อดภูมิใจในวิรกรรมแต่หอนหลังเสียไม่ได้แม้จะต้องทนทุกทรมานเพราะวิรกรรมนั้นก็ตามแบบนี้หลวงพ่อก็ยึดอาชีพรับจ้างตอนไก่ไม่ได้นะสิครับก็ไม่ได้นะสิถึงต้องมาบวชไงละ่ะคนเล่านิกสนุกผมเพิ่งรู้ความลับของหลวงพ่อเดี๋ยวนี้เองคนฟังพูดยิ้มยิ้มความลับ อะไรของเธอล่ะไม่ใช่ของผมครับของหลวงพ่อตังหกเนนตุย้ยตั้งใจยัว่วหวังให้ท่านลืมความเจ็บปวดความลับอะไรฉันนะหรือมีความลับมีสิครับก็หลวงพ่อเพิ่งพูดประโยคกพูดว่ายังไงนี่เธอตอบมาเร็วๆได้ไหมฉันอยากรู้เห็นคนเป็นพระอยากรู้ คนเป็นเนนจึงเฉลยว่าความลับของหลวงพ่อก็คือที่หลวงพ่อมาบวชเพราะตกงานถ้ายึดอาชีพรับจ้างตอนไก่ได้หลวงพ่อก็คงไม่มาบวชใช่ไหมครับโถเอ้ยนึกว่าเรื่องอะไรแต่ขอโทษเธอะเธอเข้าใจผิดถนัดเลยเทียวละที่ฉันต้องมาเป็นพระไม่ใช่เพราะตกงานไม่ใช่แน่นอนท่านยำ้ำ ให้อย่างนั้นเพราะอะไรล่ะครับคราวนี้คนอยากรู้กลับเป็นเนนงั้นก็ฟังให้ดีนะเปิดหูให้กว้างๆจะได้ฟังถนัดๆครับหูผมเปิดกว้างตลอดเวลาหลวงพ่อบอกมาได้เลยพระเจริญจึงพูดเสียงดังฟังชัดว่าที่ฉันต้องมาเป็นพระเพราะฉันเกลียดพระโบราณท่านว่า เกลียดขี้ขี้ตามฉันเกลียดพระเลยต้องมาเป็นพระบัดนี้ท่านยอมรับแล้วว่าโบราณท่านว่าไว้ไม่ผิดทำไมหลวงพ่อถึงเกลียดพระล่ะครับคำถามของเนนตุ้ยทำให้พระเจริญต้องเล่าเรื่องหลวงตาวัดตโนธอีกครั้งเป็นการเล่าครั้งที่เท่าไหร่ท่านก็จําไม่ได้เสียแล้ว ถึงโรงพยาบาลศิริราชนายหล่อนํารถไปจอดหน้าห้องฉุกเฉินบอกบุรุษพยาบาลให้นําเปลผ้าใบมารับท่านแล้วเข็นเข้าไปรอตรวจครู่หนึ่งนายแพทย์ก็มาทําการตรวจและสั่งบุรุษพยาบาลให้นําท่านไปห้องฉุกเฉินเข้าห้องแล้วพยาบาลจัดการให้น้ําเกลือเพราะท่านอ่อนเพลียมากเดี๋ยวพาท่านไปห้องเอ็กซเรย์นะเสร็จแล้ว นำฟิล์มมาให้ผมด้วยแพทย์สั่งแล้วเดินออกจากห้องไปแม้จะอยู่ในภาวะรับขันและทุกทรมานแต่เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงก็ยังห่วงหาอาทรในความทุกข์สุขของผู้อื่นท่านรู้ว่านายหลอกกับเนนตุ้ยจะต้องหิวเพราะเลยเวลาอาหารเช้าไปนานแล้วจึงบอกเขาว่า หลอเองไปหาอะไรกินเสียก่อนพาเนนไปด้วยท่านคงหิวแล้วไม่เป็นไรครับผมจะอยู่เฝ้าหลวงพ่อเนนตุ้ยพูดอย่างเกรงใจไปเถอะไม่ต้องเฝ้าฉันหรอกเดี๋ยวหมอเขาก็คงมาดูเมื่อท่านพูดอย่างนี้สมณเนนวัยสิเกจึงต้องไปกับนายหลอ่อ ว่าที่จริงแล้วท่านก็หิวด้วยมือสุดท้ายฉันเมื่อ11อนาฬิกาของวันวานถึงวันนี้ก็เกือบยี่สิบชั่วโมงแล้วเมื่อในหลอกกับเนนตุย้ยกลับมาที่ห้องก็ไม่พบพระเจริญจึงถามนางพยาบาลที่หน้าห้องก็ได้ความว่าบุรุษพยาบาลพาไปห้องเอ็กซเรย์จึงพากันนั่งรออยู่ในห้อง หนึ่งชั่วโมงผ่านไปปุรุษพยาบาลก็เข็นท่านกลับมาที่ห้องหลวงพี่เป็นอย่างไรบ้างครับหายปวดท้องหรื อ, อยังนายหล่อถามด้วยความเป็นห่วงไม่หายหรอกแต่ข้าพยายามที่จะทำใจให้ชินกับมันจะได้ไม่รู้สึกทรมานภิกษุอาพาธตอบการกำหนดปวดหนอปวดนอ ไม่ทำให้ความปวดลดลงเลยหรือครับหลวงพ่อเน่นตุ้ยถามมันก็คงจะลดลงหากปฏิบัติเข้าขัน้นฉันเพิ่งรู้ว่าตัวเองปฏิบัติยังไม่เข้าขัน้นจึงไม่สามารถข่มเวทนาได้นี่ถ้าไม่ตายจะต้องปฏิบัติให้เข้มข้นกว่านี้อีกหลายเท่าแต่ถ้าจะต้องตาย ก็แล้วแต่เวรแต่กรรมท่านพูดปลงๆพูดเรื่องตายอีกแล้วหลวงพี่ครับผมขอบินทบาทเธอครับอย่าได้พูดเรื่องตายเลยฟังแล้วเจคคอมันหดหูห่อเหี่ยวนายหล่อทักท้วงนั่นแสดงว่าเองไม่ยอมรับความจริงเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา ลรงเ็จเหิดหล่อเอ้ยท่านสอนในหล่อลุงพ่อหน่อยไหมครับผมว่านิมนต์จาวัดสักครู่ดีไหมครับจะได้มีแรงมาสู้กับความปวดเน้นตุ้ยแนะนําก็ดีเหมือนกันการหลับทําให้ลืมความปวดได้งั้นฉันขอหลับละพูดจบก็หลับตาพยายามกําหนด ห้องหนอยุบหนอที่ท้องแทนการกำหนดปวดหนอั่วเวลาไม่นานนักท่านก็หลับไม่รับรู้ความเจ็บปวดที่กำลังเผชิญอยู่นายแพทย์ถือฟิล์มเอ็กซเรย์เข้ามาในห้องติดตามด้วยนักศึกษาแพทย์ห้าคนพระเจริญเป็นคนนอนวัยจึงรู้สึกตัว เมื่อมีคนเข้าห้องมาภิกษุหนุ่มยังคงนอนหลับตาคอยเงี่ยวหูฟังว่าเขาจะพูดกันว่าอย่างไรพระรูปนี้ประหลาดมากไสเน่าไปหลายฟุตแล้วอยู่มาได้อย่างไรนายแพทย์พูดกับลูกศิษย์ไม่น่าเป็นไปได้นะครับอาจารย์นักศึกษาคนหนึ่งพูดขึ้นนั่นสิผมแปลกใจเหลือเกินว่า เป็นไปได้อย่างไรตกลงว่าพรุ่งนี้เช้าผ่าตัดโอกาสที่จะรอดคงยากต้องเดทแน่ๆใช่ไหมครับนักศึกษาอีกคนหนึ่งถามก็คงจะอย่างนั้นนอกธิ์จากจะเป็นผู้วิเศษนายแพทย์ผู้เป็นอาจารย์พูดกับลูกศิษย์แม้อาจารย์กับลูกศิษย์จะปรึกษากันด้วยเสียงที่ค่อนข้างเบาแต่ภิกษุอาพาธก็ดยินชัดเจน เพราะท่านมีคุณสมบัติที่ผิดแปลกไปจากคนปกติธรรมดาอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าพูดดังท่านจะไม่ได้ยินเพราะเสียงดังเลยหูไปแต่ถ้าเขาพูดค่อยหรือกระซิบกระซาบท่านกลับได้ยินชัดเจนทุกท้อยคำ